สีขันวันนะลักษณะความแปรสภาพต่างๆกอนปลูกความทุกข์พิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของปัญญามันจะกระจายออกไปอันนี้หนึ่งทำให้สงบสองทำให้รู้แจ้งสิ่งนี้แล้วค่อยปล่อยวางไปโดยลำหน่ะมีปัญญาเป็นเรื่องที่จะปล่อยวางแล้วอย่างวิธีอนาพันิข์ก็เหมือนการอนาพันธสิข์เวลาทําไปแล้วจะมีแสงสวาเกิดขึ้นจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนะนะครับก็มาทุกคน แต่แต่เป็นอยู่ภายในนี้เป็นได้โดยการคำว่าสว่างภาจิตใจนี้ไม่ได้สว่างเหมือนไฟสว่างนะสว่างแบบใจสวา่างอย่นี้เป็นได้แต่ที่สว่างออกไปข้างนอกไปจัานไป น, นี้นั้นเป็นได้เป็นบางรายแต่จำนวนน้อยมากที่จะเป็นอย่าง น, นั้นได้เคยพิจารณาแล้วหรอเคยภาวนาอย่างนี้แล้วหรือแล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงีม นิ่งแต่นมามันไม่นิ่งนิ่งก็ยังดีนิ่งก็ดีนิ่งนั่นแหละเป็นบาฐานที่ใช่ความรู้นี่กระจายไปสู่ธรรมทั้งหลายให้รู้แจ้งไนิ่งแล้วก็กไม่ออกว่านิ่งแล้วจะทยังไงต่อไปในขณะที่นิ่งนั้นเราไม่ต้องไปเนิกคให้นิ่งต่อให้นิ่งแค่นิ่งเจอให้นิ่งให้รู้อยู่นั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดนุ่นุนนี้นี่เรียกว่าความสงบพอพอจิตเคลื่อน ความสงบก็นิ่งออกจากนั้นเราจะพิจารณาให้แยกแยกไปนี่เป็นการทำงานของทั้งด้านปัญญาก็พิจารณาได้ทีเทศวันนี้เข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะเทศวันนี้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจบ้างค่ะบ้างก็ยังดี ต้องบั้งให้ก่อนแลหละคลายรองบั้งก่อนเน่ะต่อไปค่อยมากขึนมากขึ้นเอมที่แรกก็ต้องมีบั้งบั้งด้วยกันแหละขอให้ดีบั้งคือไม่เข้าใจเลยแหมบั้ <laughs> บงไม่ติดเลยดี่แย่เราไม่เคยเราไม่เคยเห็นใจสงบ ฝภาวนาแต่ชอบภาวนา ห, หมายถึงขั้นเริ่มเราเริ่มภาวนาอ่านในธรรมท่านมาภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้นนเดินองค์นั้นเดินจงกรม น, น, นี้นั่น่นี่นั่งสมาธิที่นี่องค์นั้นสําเร็จรับผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นอ่านธรรมดาเนี่ยเรียกอ่านธรรมดานาะไม่ได้คิดคาดอะไรมากนะะ พอเห็นในตลัดธนาท่าน <ược> ั th đâu, ้นมันเกิดคลิกคักขึ้นมาในใจมันว่าตรงไหนมันสะดุดใจมันสุดใจเอ๊ะชอบคนชอบคนตอนสนใจทํธนาครับเอาละทีนี่ไม่มีครูก็ตามอืมได้พุทโธธนาคือเราไม่ไม่เคยได้อะไรเราก็ไม่พลาดไม่หมายว่าพุทโธตัวเขาจกิี้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธคาพุทโธพุทโธเนย ปรกกากฏว่ากระแสของจิตนีที่มันสร้างไปเรื่อยต่างมันตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาเหมือนเราตากแหวะแล้วเราจับจอมแหดึงตีแหวะมันก็เข้ามาเข้ามาความที่ที่จิตมันมันตะ ล, ล, ล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาเลยเป็นจุดผลใจอีกจุดหนึ่งมันเลยเพิ่มความติดต่อเข้าไปพุโทโธพุโทโธด้วยก็กระโดดลงเสาลงเสาก็พอเข้ามาถุงตัวจิต อาการของกลิมันมันเข้ามานนี้หมดแล้วพอเขาถึงนั้นกึ๊กหยุดนิ่งแล้วมันพียงนิ่งเฉยที่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ขาดหมดสึ่งคือเคยติดเคยตอกับเรื่องอะไรแ ล, แล้วขาดไม่หมดในขนาดนั้นแล้วเรื่องเหลืออยู่อันเดียวเหลืออันเดียวยังไม่ใช่ L. หลืออันเดียวหรรมดาเหื อ, อของอัศจรอยู่แล้วทีน่นี่นี่ทำไมเป็นอย่างนตื่นเต้นไม่เคยเห็น <c oughs> ความตื่นเต้นแล้วเป็นเป็นฆาตสึกแล้วไปทําลายอันนี้ที่ ทําลายอันที่อยู่อันเดียวเนี่ยขาดเข้ามาหมดแล้วมาอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นว่าเป็นอัศจรรย์แล้ทีมันเลยตื่นเต้นพรตื่นเต้นเลยไปกวนนี่เลยสร้างมาอู้เสียดาววันหลังฟาดกันใหญ่แล้วสองตั้งโมงไม่ได้เรื่องโอ้ยนะก่อนมันจะเรื่องอะไรภาวนาไม่จะเอาให้เป็นอย่างวานี้จะเอาให้เป็นวานี้ลืมงานของของพุทโธเลยไม่ได้เรื่องนี่จะเอานั่นท่าเดียวเลยไม่ได้เรื่องวันไหนขยับวันไหนขยับไม่ได้เรื่องจนกระทั่งมันจางไป ชักขี้เกียจที่นะภาคงจะเป็นอย่างนั้นนะทำไงจะเอาเท่าไรมันก็ไม่ได้เอาเท่าไรก็ไม่ได้เลยชักขี้เกียจที่มันก็ปล่อยอารมณ์เนี่ยนั้นแหะอารมณ์ที่ว่าจะเอาให้ได้ปล่อยไม่ภาวนาอีกพอเราเหมือนมันก็ว่าเราเผลอกับสิ่งที่เราเคยยึดอย่ะงนันมันก็รวมอีกหกลมืออีกเอ้าอีกมันก็ขยับกันนั่นอีหล่ะไม่ได้เรื่องอีกเออสักคนเวลาทำตามวิีวัฒถ์ขเราเนาะสําคัญหน่อยมันชอบนะม่ใช่ชอบ ว่านักเรียนจะพูดถึงเรื่องนี่ขายความเชื่อของของอาจารย์นาะนักเรียนนังสือมีใครมาทำหนึ่กรรมฐานได้หรือใส่เพียงเลยต่อสู่กันเลยชีน่ะโอย่างหัวขาดไม่หอยเลยเราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนั่ก็เป็นนักเรียนที่นี่นักเรียนแต่นักเรียนก็สู้กันได้ใช่ไหมถ้าเป็นกรรมฐานก็จะเป็นคนเาฝาดเราฝ่ายเหมือนก็จะเป็นข้าศึกกันนี่ไม่เป็นนีไม่เป็นเหมือนควายขอกเดียวกันชนกันเป็นอะไรไปวะถ้าเราทำหนึ่งกรรมฐานไม่ได้ ถ้าตองนี้ไม่าา ม, าามีเหตุผลคือเราลักลักกรรมฐานเรายังซื้อแล้วก็ทำไม่ถอยนะห้ามไม่ให้ใครรู้นะ <c oughs> เราจะทำเข้าห้องเงียบเหมือนนอนไม่นอนพอนอนอเรื่องเบื้องต้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะต่อไปจแต่ไนมันก็ค่อยๆจอดไปเรื่อยๆร คือมันเคยได้จนล้วเป็นตอนนี้นนานๆจะได้ทีหนึ่งต่อบไปมันก็ได้ไปเรืเ่อยๆเราตอบไปตะเกียวเนื่องกันไปเลยเรื่อยนี่เพราะการบำรุงเสมอเสมอเสมอมันค่อยเจริญเท่านหร่จนปลายเจริญเท่ไหร่เรื่อยเงาะคุณค่าของการบำรุงรักษาใจนี่สาคัญมากนะเ้ย ใ, ใครท่าใจรมีข้อควาใจอะไรก็พูดได้แต่นี้จะปากคนเดียวพูดคนเดียวหูต่างร้อยร้อยพันพันหู มีเราโประกาศให้อ้าวใครจะพูดจะถามอะไราถามได้ถ้าควรตอบได้ตอบให้ทันทีท่านอะไรายจะพูดถึงเรื่องภาวนาเข้าใจหรืยอยังยังหนุนน้อยก็เหมือนกันนะให้เอาทําไปปฏิบัตินะทํำไม่ล้าสมายัยอยู่กับเด็กก็สวยงามน่าดูอยู่กับผู้ใหญ่ก็น่าดูทําไม่เคยล้าสมัยกับวัยใดๆทั้งนั้น มาทำอะไรปฏิบัติเวลานี้โลก ก, กาลังยุ่งเพราะหันผ่างตักทนยุ่งมากเข้าไปเดินแบบพูดกันไม่รู้เรื่องน่ะถ้าต่งางคนต่างมุ่งต่อหลักความจริงเอาหลักความจริงเป็นแฟนของใจแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายคนเราแล้วปันหาประโยชน์อะไรความจริงมีอยู่กล้ากจะหาความจริงด้วยกันน้ามัยอมกันเท่านั้นเองนี่ข้าก็จะเอานังก็จะเอาก็จะเอามีแตจะเอาท่าเดียว ะทะเลาะกาันคนหแล้วฆ่ากาันฆ่ากันมันดีเมื่อไหร่ฆ่าเขาให้ตายว่าเราจะดีมันก็ไม่ดีคนนั้นฆ่าคนทั้งคนมันดีที่ไหนนะอะไรมันก็ไม่เลยหลักธรรมเพราะหลักธรรมเป็นหลักที่ถูกต้องมีงามมาแต่ไหนแต่ไรลบไม่ศูนย์จะเอาอะไรมาลบ ก, ก็ไม่ศูนย์ไม่งั้นเป็นธรรมขึ้นมาไม่ได้สอนโลกไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งที่ทลบศูนยะ์น่ะคือความจริงทนต่อการพิสูจนทุกอย่าง คำถามผู้ทเช้าก็ลึกรับอยู่ที่เราไม่ได้พิสูจน์เท่านั้นเองถ้าลงได้พิสูจน์เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วจะเปิดเผยขึ้นมาตามหลักความจริงทั้งนั้นตามความสามารถของผู้พิสูจน์ได้สนอย่างคำว่าอรหันต์ลหันนี่เหมือนกันพวกเราเหมือนกันจะสูดเอื้อมกันเช่กันแล้วเพราะว่าลรหันแล้วสลบไปเลยสลบไปเลยสลบลงหมอนนี่ที่คร่าคระาเป็นอย่างนั้นเลยที่ คึกค่ากับพียงชั่วเพราะว่าอหารหันเหมือนกับวางยาสลบคลอกตายเราว่าสนาน้อยเรานี่เป็นผู้หญิงเรานี่อายุแกเพราะเรานี่ีงานมากคนไหนที่ในโลกนี้มันมีงานแม้แต่สัตว์โดยสารเขายังมีงานไม่คิดบ้างเลยเพราะว่าอหารหันมาทับเท่านั้นละตายไปเลยตายทั้งไปเหมียวคลอกคลอก อ, อ่อนไปมดมือเท้าทั้งทั้งที่อหรหันเป็นความวิเศษเพราะกิเลสมันล่ากกับว่ามันไม่วิเศษเข้าใจไหมละ่ะงาน พูดอย่างนี้จะไม่เข้าใจสิ่งที่มันพาล่ามันพาให้อ่อนคืออะไรคือกลมายาของกิเลสพาให้รู้ปัญเสียถ้ายังไม่รู้เรียนคนมายากิเลสรู้เท่าไหร่แล้วมันจะต้องรู้คนมทังมันทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างก่อเลยเอาทีนี้ฟาดมันจับหัวใจของเราจนหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วมันอยู่กับหัวใจไดทำไมจะไม่รู้กิเลสประเภทเดียวกันเรียนให้สูงกว่ามันแล้วรู้ทั้งนั้นมันจะแจ้งออกมาจากตัดก็รู้สิ่งนี้มันเคยอยู่ในหัวใจเราแล้วเม่อมันอยู่ไม่ได้มันไปอยู่ที่ไหนมันก็รู้หมดนั่น่แหละธรูงขนาดิน จึงเหนือโลกได้แล้วเอาไว้ต้องสับมันมันก็ต้องถูงกว่าเราอยู่นั่นแหละมันจึงมาฟิกเข้าไปพิกเข้าไปแล้วทำมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแก้ไปเื่อยๆแไปเรื่อยพราะที่เหล็กมันหมดประจักษ์ของใจขอท่านแล้ไม่มีอะไรกวนอะไรจะมากวนมิคิดอย่างเดียวเท่านั้นนีคุณมันพูดได้เต็มปากเลยมีหมายถึงท่านพู้รุ่นนะ พวกเราโมก็อยู่ตา ง, งกกไปซก่อนเป็นไรล่ะนะว่ะไรหลวงตาวยก็โมไปนนมันแห้ะโมไปคัาเขาเสด็จสัมมาฯไปอาจารก็โมจะลืมตัวไปแล้วก็ไม่รู้นะเด็กนี่นะแต่หมอนไม่ลืมนะจะว่าหรือลืมนะืมนะปัเถญญหมอนไม่ยอมลืมนะเอะอันนี้มันงาต่เก่าแต่แก่ห น, นึ่งจะว่างลืมมันได้ยังไงไม่จริงเว้ ผู้นสัยมีด้วยกันทุกคนอย่าว่าเทพบวจะเป็นผู้มีนิสัยนะโดยถทายเดียวไม่ผิดโทษโดยทายเดียวนั้นผิดถ้าเป็นนั้นมีด้วยกันทั้งนั้นหัวใจนั้นน่ะมากี่กับกีการที่เป็นดวงใจมาแล้วนี่เคยสั่งผมมาหลายคุณ ง, งามความดีเป็นเพียงวันยังไม่ได้ออกตลาดให้เจ้าของได้เห็นได้ชมเท่านั้นอยู่เวลานี้อยู่ในแทบมันยังไม่เปิดเผยมันยังค่อยเปิดออกเปิดออก เปิดออกแล้วขนก็ไปเรื่อยๆขนก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวแทบมันก็เปิดขึ้นมาเท่านั้นล่ะแทบเน่ยเปิดขึ้นมาโอ้โหนี่เหลือ น, นั่นกิเลาบางๆมันปิดไว้กับสมบัติเต็มตู้เต็มหีมันก็ไม่เห็นเอากระดาษบางๆถ้าปิดไว้เท่านั้นละ่ะไซมิเน่มันก็ไม่เห็นนั่นพอเปิดนี่ออกปั๊บเห็นเลยี่เราเปิดนี่ออกมันเห็น <c oughs> นี่ยไรล่ะ ถาแล้วท่นี้ก็ไปเรื่อยอะไรเพรถามคู่เดียวท่ า, ทานี้ไปแล้วอะไรใครจะพูดทันปุ๊บปั๊บ ป, ะปะไปแล้วอ้าเปิดโอกาสให้อีกฮะผู้หญิงผู้ชายมันขึ้นไม่ได้แหละใจต่างหากขึ้นผ <laughs> <laughs> ู้หญิงมีใจผู้ชายมีใจแล้วขึ้นได้ทั้งนั้นคลอยทีเดือดสิ้นไปด้วยความเพียรงเราเถอะให้มีความเพียรนั่นเป็นหลักตั้ง ความเพียรนี่แหละตัวเงินจะเปิดสู้มากว่านี่ผ่านเอาตรงนี้นะเข้าใจไหมเราอยาอา่าประเทศมาเปิดประเทศมาเปิดแล้วติดเพลสไปไม่รอดนะทำประเทศเพรชานแล้วกว่า เ, เ, าเรา เ, าเป็นพระใครก็นับถือนอนกินก็ได้นั่งกินก็ได้หรือนอนใจไอ้ น, นี่ตัวที่เกียจใหญ่ตัวนี้ตัวขี้เรศสู้ขี่เร ด, ดอยู่ในนั้นแหละเข้าใจไหมเราอยากเข้าใจว่าพระนี่ดีนะแม้แต่หลวงตาบัวคุยโวโวโวโวยอ่นี่ก็ไม่เห็นดีอะไรถ้าหลวงตะบัวขี้เกียจสักอย่างเดียว ไม่เป็นข่าเลิกกินแล้วขยันยิ่งกว่าลิงใช่ไม่ได้อย่างนั้นการประกอบความเขียรมันเร็วสิมันคล่องตัวสติปัญญาให้คล่องตัวนั่นแหละที่เหลือจะกลัวแลปัญหาอะไรที่ว่าผู้หญิงอสรเงินรายได้ไหมหรือไม่ได้ไินคนพูดคนเป็นคนประเภทใดวะ <c oughs> หรือคนประเภทอย่างเราพูดก็ได้นี่ฮ <c oughs> มันหลายประเภทค น, น <c oughs> เขาพูดก็ได้เราพูดก็ได้ เขาพูดของเขากะเกิดทีหลังหูเจะไปเชื่อง่ายหูเกิดแล้วเขาจะเกิดทีหลังนี่วะไออาไปเชื่อเขาแล้วเียเทื่อมไหมะมาเทื่อมนี่ยพอก็ตอากวันนี้เสียเที่ยมไหล่ะเสียแล้วดูหน่อดูที่พระเต้นแบบชามขึ้มาจากภาคใดก่ภาคไรเต้นไปหมดเลทุกภาคเลยตน เรารับไว้ทุกภาคเพราะเราเห็นคุณค่าของภาคนั้นๆถ้าส่วนมากเวลาท่านทำประโยชน์ได้ผลสุขวันลนะท่านก็กลับไปทําประโยชน์ในภาคของท่านเราคิดอย่างนั้นถึงรับไว้ภาคละมากและน้อยตามภาคใหญ่ภาคเล็กภาคใหญ่ก็รับมากภาคน้อยก็รับน้อยมีทุกภาคทุกกรทนเอา นี่ก็ไม่ประชุมมานานแ ล, ล้วล่ะตอนนี้ไม่ค่อยสบายสั่งท่าสั่งขันแล้วกิจการงานก็ยุ่งนันยุ่นี้ต้องออกพามษาแล้วนี่ไม่ค่อยได้เทศบ่อยๆเหมือนเวลาทั่ทวๆไปที่เคยเทศมาปีนี้รู้สึกว่าปล่อยมากการประชุมพระปีนี้เป็นปีที่ปล่อยมากกว่าทุกปีทุกปีแม่น่านแล้งก่อยังต้องอบรมอยู่เ่อเหมืองปีนี้ปล่อยปล่อยมานาน ก, งกนังวลให้เอาเทศไปฟังกันเถอะแล้วบอกว่าเราเหนืยเพราะท่าขันมัน ลดลงทุกวันทุกวันกําลังบางชาพระอ๋อเทปเพราะเทพมีอยู่เยอะนี่ยฟงแล้วก็พลอยสบายไปด้วยเช่นอย่างพวกญาติโยมที่มาจากทางกายทางกาทางในครัวก็วนกันให้เอาเทปไปฟังแทนเดี๋ยวนี้ปล่อยไปบ้างแล้วเพราสุขภาพเราเหมือนแต่ก่อนแนหะก่อนใครมาก็เราก็เข้าไปห้าการอบรมนั่นในครัวดแตวนี้มันก็ เป็นธรรมชาติเหมือนกันเคื่อนี้ไม่อำนวยที่อย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้นดี๋ยวจะกลับงเทพอย่างนี้ใช่ไหมล่ ะ, ะไปคาที่ตัวเดียวทางตะวันนี้เหรอะอ้แม่ธรรานก็รู้สึกมีทางนี้มา ก, กอพอสมควรดูวยาจะมากกว่าภาคอื่นอุต่ า, า์ธรา